การปฏิบัติวันนี้วันที่ยี่2ิบสองสองใช่ไหมยีสองยี่สามก็การเปิดอบรมงานร้อนนี่ก็ก็เรียกว่ามีความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจถึงสภาวะธรรมชาติภายนอกภายในก็นนจะเอา <c oughs> ผลการปฏิบัติได้ยากอยู่แต่เรารู้จักปรับหาความพอดีที้เหมาะสมกับกำลังของอุจจุคือความพลังความสมดุลภายนอกภายในอินฟ้าอากาศถ้าเราปรับตรงนั้นได้มันก็ได้ประโยชน์ก็นะเหมือ น, นที่ได้กล่าวมันก่อนว่า การที่จะตกแต่งเหล็กสะท้อนนึงให้เป็นอาวุธเนี่ยซึ่งมันจะต้องมาใส่เทคนิคจากด้านปรับความสมดุลระหว่างร้อนเย็นให้พอดีกันเพราะอาวุธทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเป็นจอบ <c oughs> เสียมมีดอะไรต่างๆซึ่งเมื่อก่อนมันก็เป็นเหล็กท่อนนึ่งพอการาปรับแต่งในความสมดุลพอดีของ การใช้การภาวนาี่เป็นเครื่องมือที่จะปรับเปลี่ยนตกแต่งให้เป็นสัญชาติญาณเหมือนเหล็กเดิมล้วนๆสัญชาติญาณของความรู้สึกของกายก็เวทนาของจิตของอารมณ์มันจะเสมือนวัตถุดิที่เป็นเหล็กตัวหนึ่งที่จะต้องมาเผา <c oughs> มาตกมาแต่งให้มันเป็นอ ศีลเสริปัญญาให้ได้ซึ่งของเดิมแท้ของเขาถ้าเขาเปลี่ยนเขาเป็นไปตามนั้นก็เรียกว่าเป็นหลักของอนิจังทุกของหน้าตานถ้าเราปรับเปลี่ยนไม่เป็นมันก็ยังเป็นไปตามกฎของมันหลักมันก็ต้องเข้าสศีลหมดสภาพไปแต่พอเรามาตกแต่งเป็นอาวุธเป็นมีดเป็นจอบเป็นเสียมกลมันจะเข้าสิศีลหมดสภาพแล้วก็ได้ไประโยชน์จากมันตั้งเยอะร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของ ความเปลี่ยนแปลงตามกฎของอนิจําทุกขังนิจตาตามธรรมชาติถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่งอะไรมันก็แก่เจีบตายไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่พอเรามาปรับเปลี่ยนเนี่ยปรับตัวอนิจจังทุกขังนิจตาเป็นด้วยอํานาจของวิปัสสนาภาวนาโดยการใช้หลักของอัตาบาตหรืออาตาปีเ <c oughs> ข้ามาเป็นตัว เผให้ร้อนนี่นะเผาเล็งความทุกข์ที่มันมีอยู่น้อยนั้นเล็งให้ร้อนขึ้นก <c oughs> <jam> ็เปลี่ยนจากตัวศีลเปตัวอนิจจังให้เป็นศีลตัวทุกข์ขังให้เป็นสมาธิเปลี่ยนตัวอนัตตาให้เป็นปัญญาขึ้นมาโดยการใช้ แต่บาทคือความเพียรร้อนสูงสุดเนี่ยโดยการเพิ่มเพิ่มความร้อนที่มันมีอยู่แล้วไม่พอนะอย่าสมมุติเราเอาเหล็กไปเผาไฟธรรมดามันตีไม่ได้มันไม่มันไม่แดงใช่ไหมต้องไปเพิ่มความร้อนด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ลูกสูบเหมือนโบราณ น, นะก็แช่อะไรเปิดพาร์ลมปอเลยอ่ะ <c oughs> อันนั้นเตาเปิดพารมเตาฐานให้มันแดงเลย เปาเล็กให้แดงภายในไม่ต้องไปโยกลูกสูบให้ยากเมืลยก่อนเปิดประมเปล่าทีเดียวแดงปั๊บก็ไปตีเอาไปตีปั๊บก็เอามาแช่น้ําพอแช่น้ําให้ปรับเหล็กให้มันสมดุลแล้วก็มาห่อให้แดงใหม่ก็ตีอยก็ไปลูปไปล่างฉันได้ก็ดีจิตของเราเนี่ยที่มันดับทั้งของสถานภาพเหมือนเหล็ก าพร้อมที่จะเป็นเหล็กอ่อนก็ได้เหล็กแข็งก็ได้ถ้ามันเป็นไป็นอำนาจของฉันชัตายานเดิมก็มันก็เป็นเหล็กธรรมดาพร้อมที่จะเป็นสนิมพร้อมที่จะใช้งานให้เต็มความสามารถไม่ได้แต่พอเราเอามาจิตของเราเนี่ยพอมาเผาลนฤตธบัติคื อ, อาตาปีสัมปชโนสติมามันก็จะเป็นจิตที่กล้าแกร่งขึ้นมา ด้วยการปรับร้อนปรับเยน็นปรับร้อนปรับเยน็นตลอดเวลาที่เราปรับที่เราตีแล้วก็ฝึกจิตของเราจิตของเราที่มันเลยไหลเรื่อยช่วยไปเกิดความคิดอารมณ์ต่างๆพอเราเอาตัวะตะบะเข้ามาปรับมันก็เป็นรูปร่างของปัจจุบันที่เราตีหรืใช้ปัญญา จิตของเราก็เลยแปลงเหล็กธรรมดาเป็นศีลเหล็กธรรมดาเนีเป็นสมาธิเหล็กธรรมดาจิตธรรมดาเป็นปัญญาเนี่ยลักษณะของการเผาฟันตีแบบนี้โดยการใช้ตะบะเพราะนั้นจะถามว่าเรามาทำบาเพ็ญตะบะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจิตที่เป็นสันสัตวญาณหรือตรลักษณ์เนี่ยให้มันเป็นปัญญาญาณอำ น, นาจของไตรสิขาแค่นี้เอง ชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนสภาพจิตที่เคยเป็นสัตว์นรกก็กลายมาเป็นตัวเป็นพัฒนาเป็นมนุษย์จากเป็นเปรตสืบโลกายพัฒนามาเป็นเทวดาจากเดรัฉานพัฒนาเป็น พ, พระพุทธจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพระ อ, อริยเจ้าพัฒนากลับกลับขึ้นมาจิตของเราก็จะพ้นจากความยากลำบากการมธรรมชาตินั้น อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องฝึกอั น, นที่จะว่าตั้งแต่วันแรกวยกันเหมือนเรามาบำเพ็ญตบะคือให้เพิ่มความทุกข์ขมันมากขึ้นเหมือนไฟที่เราล่งมันมากขึ้ น, ม น, ม น, มนสมมุติว่าเราจะหลอมแร่ธาตุทองคำธาตุแร่ต่างๆมาจากใต้ดินนี่ยบางทีความร้อนแค่50หรือร0อองศาเนี่ยมันไม่สามารถจะหลอมได้ต้องไปเป่าให้มันหลอม มันถ well, ึงจุดหลอมเป็น un พันองศาอย่งเป่าแก้วเนี่ยสามารถเผาทรายให้เป็นหลอมเหลวเป่าเป็นแก้วรูปร่างของแก้วมาแล้วก็เป็นนไปจะเป่าได้รูปได้หลังนี่นะมันจะใช้ความร้อนสูงมากเราไปเป่าออกมาเป็นแก้วใสสะอาดซึ่ความเป็นแร่เป็นธาตุที่ติดมากับแก้วเนี่ถูกล้อกหมดเลยเนือแต่เนื้อแก้วใสๆล้วนๆจิตของเราก็เหมือนกัน มันจะปลอมปนด้วยก hiring, oque, Wheels, ыт, ิเลสธาตุธาตุต่างๆธาตุแห่ราคะธาตุโทสธาตโมหะธาตุอวิชชาตัญหาธาตุอนี้เปาออกหมดเลยเหลือธาตุพุทธธาตุพุทธภาวะธรรมธาตุใช้ใสอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาเอาใช้ตัวธรรมะของเาเปล่าจิตของเราแม้แต่ไปเผาแล้วมันก็ยังเหลือเป็นธาตุอะไรกระดูกก็ยังกลายเป็นพระธาตุไปเลยใช่ไหม ได้กำลังของตะ巴นทั้งทั้งเป็นรูปธรรมท่านนำมาทำถ้าเป็นรูปธรรมก็คือว่าธาตุกระดูมของเรากลายเป็นวัฏฐาท่านนามารมก็กลายเป็นราค้าธาตุมาเป็นเป็นศีลรโธสะธาตุมาเป็นสมธิโมหาธาตุมาเป็นปัญญาเปลี่ยนแปลงหมดด้วยจุดหลอมของตบะ巴คือความเพียรที่เราทําเนยั้นเองความเพียรที่เราทําจึงเป็นการเพิ่มแรงของตะ巴ให้มันสูงขึ้น เหมือนกับไฟธรรมดาไม่สามารถจะหลอมธาตุเหล็กธาตุทองคําให้มันออกจากสนิมตะกอนตะกันเศษเหล็กเศษหินเศษปูนเศษดินต่างๆออกมาได้ความร้อนไม่สูงพอที่จะสลัดแต่พอมันมาถูกความร้อนเป็นพัน พ, นพนองศาขึ้นไปมันหลอมเอาธาตุแทออกมาธาตุที่ไม่แทก็ตกไปเพราะฉะนั้นความเพียรถ้ามันต่ําอยู่นี่ยมันไม่สามารถจะหลอมเอาธาตุ ทำธาตุพุทธะทำว่าสังฆะออกมาก็ยังเป็นตัวอกุศลธาตุคือราคาโทสโมหะโลภะโทสโมหะธาตุอยูอ่ซึ่งมันก็เราจะเราก็ยังจมอยู่ในราคากิเลสต่างาเหมือนกับแร่ธาตุต่างๆจมอยู่ในดินไม่มีค่าอะไรพอมาเจอวิศวกรทางด้านแร่ธาตุต่างๆพวกนี้ิชระ ขุดขึ้นมาทั้งปนการทั้งแร่ดินหินต่างๆพอมาหลอมมาแยกคัดออกมาเป็นธาตุก็มาเป็นวัตถุดิบทางการผลิตเครื่องประดับเครื่องเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไดชั้นใดจิตใจของเราถ้ามันตกไปอยู่ธาตุที่ปอมปนด้วยกิเลสแัะหาวประธานอยู่มันก็ทำให้ชีวิตนี้ไม่มีค่าอะไรตกอยู่ในตมในจมในโคนของกิเลส มันจะแลดทัดจมอยู่ในดินดังนั้นอาศัยวิศวกรทางแ ย, ก, ยกแยกแลดทัดของนางมธรรมบูรธรรแบบอย่างผู้ทีเจ้าและพระหัน์ขี่ในศกทั้งหลายที่ท่านทํามาแล้วก็ส่งทอดประสบการณ์เหล่านี้มาถึงเราเราก็มาทําต่อพอมาทําต่อเราก็ทําได้สําเร็จแล้วแยกทาดออกว่าเอออันนี้เป็นความคิดทัดแห่งที่จะนําไปสู่ ความาแปรปวนเปลี่ยนแปลงเป็นท่านความคิดแล้วก็แยกท่านหนึ่งพุท ธ, ธาทาตุคือท่านแห่งพุทธะแยกออกมาอีกท่านหนึ่งโดยอาศัยความเพียรสูงที่เราทำกันทั้งวีทั้งวั น, นมาหลอมแยกท่าระหว่างตัวรู้กับตัวคิดออกมาและตัวรู้ตัวคิดก็แยกกันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ใดตัวรู้นี้ยังไม่บริสุทธิ์สะอาด ผูที่แช่ท่านประกาศเลยว่าทำใ ด, ดที่เรายังไม่จิตของเรายังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นสเนี่ยเราก็พิจารณาอย่าถึงถึงอาการาปริวัติสามรอบอาการ12ปริวัติสอาการ12ในเวลาเราสวด้ธรรมจกักรอหากว่าจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ด้วยดีเพียงใดเราจึงไม่ประกาศตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ เราได้ตรวจสอบถึงปริวัติสด้วยอาการปริวัติสปริวัติสิบสอด้วยอย่างระสามรอบทุกพิจารณาสรอบสมุทัยพิจารณาสารอบนิโรธพิจารณา3รอบมรรคพิจาราสามอบสามปริวัติสอาการ12เราถึงมั่นใจว่าจิตของเราได้ถูกฟอกฝนอย่างสะอาแล้ว เป็นพุทธะเป็นทองคําบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วประกาศจนเป็นสมมาสมพุท ธ, ธอย่างองอาจจิตของเราก็แบบสนรน ก, กันแล้วก็มาฟ อ, อกมาฝนด้วยความเพียรเราให้ผลพันธุ์ผลขึ้นมาจนจิตเราสัมผัสได้ว่าจิตเราสะอาดรรู้สึกโล่งโปรงเบาสบายจากราคาธ า, ถาโทสะธาตโมหธาตมันเป็นธาตุที่ใสสาดเหามือนแก้วใสๆเพราะฉะนั้นเองหลักการอันนี้มันจึงไม่เป็นเรื่องซับซ้อน เกินไปที่เราจะเข้าใจไม่ได้แต่ว่าเรายังขาดตน้นแหล่งเหมือนกับเราหลอมธาตุแต่วังเป็นปธาตุบริสุทธิ์ขาดอุณภูมนะิที่จะหลอมนะที่จะหลอมให้ธรรมธาตุเหล่านี้ให้เป็นทองบริสุทธิ์ให้เขาจะใช้เขาพรหมจรรย์พรหมจรรย์ประพืชเพียงลัพงสะอาตเพียงดำพ ง, งประพติพรหมจรรย์ ดังนั้นการปฏิบัติเราก็าหลักย่อเข้ามาหลักง่ายๆโดยอาศัยแยกคาดว่าถ้าหากว่ามันเป็นตัวอวิชชาธาตุหรือตัวไม่รู้เนี่ยมันก็จะทำให้จิตนี้ตกไปอยู่ฝักฝ่ายของตรยลักษ์หรือสามั ญ, ญลักษ์คือต้องหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมภายนอกนะ แต่ว่าร่างกายนี้เป็นผลแห่งกรรมที่เราได้มาเนี่ยมันจะต้องหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปทำกฎของมันคือนิจงังทุกหนัตาดีอย่างเกลี้ยงไม่ได้แต่พอเรามาพัฒนาตัว <c oughs> อตัวรู้สึกที่มันเป็นต้นตอของความคิดเนี่ยให้แยกออกมาต่างหากสกัดออกมาตังหาก สกัดดูรู้ออกมาต่างหาโดยอาศัยหลักการของความเพียรนะคืออาตาปีเพียรด้วยสติสัมปชัญญาเนี่ยก็าสามารถแยกธาตุรู้ออกมาเหมือนเราสกัดจากน้ำมันนะมะพร้าวออกจากกะทิมะพร้าวโดวยใช้ความร้อนสูงอยู่หรือสกัดน้ำมันดิบมาเป็นน้ำมันระดับต่างๆที่เราใช้อย่าน้ำมันมีเทนน้ำมันออกเทนน้ำมันเดนซินลิเซลน้ำมัน สูดด้านสูดนี้ออกมาซึ่งเดิมๆมันก็เป็นน้ํามันดิบพอมาสกัดมาเป็นน้ํามันเป็นแก๊สเป็นก๊าซอะไรออกมาทัหา้หลายหลายระดับชั้นใดก็ดีจิตของเราที่ที่เป็นสารบริสุทธิท์แท้ๆมันจะมีพลังนะพลังชั้นที่หนึ่งหัวพลังเลยทีเดียวเหมือนก๊สมีเทนที่ใช้ในเครื่องบินเรียกว่าชั้นที่หนึ่งสาร ไม่มีสนิมอะไรเกาะอยู่เลยไม่มีอาสวะทำเกาะเรียกว่าสิ้นอาสวะผู้หมดอาสวะบุคคลชั้นที่หนึ่งเลยทีเดียวชั้นที่สองลงมาจะมีอาสวะเหลืออยู่นิดหน่อยอาจจะเป็นน้ามันเกตตตาลงมา น, นิดหนึ่งรองจากน้ำมันออกเทนเราก็ปเป็นทั้งหลายอย่างใช่ไหมน้ำมันเบนซินน้ำมันกานามันโซลาน้ามันดีเซล มันดีที่สุดก็ไปใช้กับเครื่องมือทีอ่ใช้พลังสูงสุดคือเครื่องบินบ้างอาวกาศบ้าใช้จิตของเรานี่สะอาดจากมูลทินอาสวะต่างๆเป็นระดับหนึ่งเรียกว่าเป็นพระราหันเกรดสองลงมาเป็นพระอนาคามีจะมีธาตุปนเพื่อนอีกนิดหน่อยเกรดสามลงมาเป็นพระสิกขาธรรมีเกรดสี่ลงมาเป็นพระโสดาบันเกรดห้าลงมาเป็น สารุชนเกิดหกลงมาเป็นกเรยัญชนเกิดเจ็ดลงมาเป็นพระภุฒิเกิดแปดลงมาเป็นเทวดาเกิดเก้าลงมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะว่าต่ำกว่ากิดสิบลงไปก็เป็นอวัยภูมิแล้วเป็นเป็อสุรกายดิฉันเนี่ยเป็นชั้นต่้สูงยละต่ำลงมาเพราะแปอบัยภูมิหมายว่ายังเป็นแล่ธาตุน้ํามันดิบอยู่ใต้ดินอยู่ยังไม่ได้กันเลยเห็นไหมมันมันเป็นในรูปธรรมมันก็ไม่ต่างกันนามธรรมนะ แต่ที่นี่ทำไมยังสงสัยเพราะเรายังไม่เห็นทั้งสองฝ่ายจะลู้หากันยังไม่เห็นลูกทำนำทำจะลู้หากันก็เพราะเรายังคล้องอยู่ในอวิชานั่นเองนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาจำต้องมาสร้างเปลี่ยนตัวอวิชชาให้เป็นวิชาให้มากขึ้นเปลี่ยนจากตัวคิดให้เป็นตัวรู้ให้มากขึ้นนะเปลี่ยนตัวอยากตัวอะไรต่าง กดตัวรู้ตัวหลงให้เป็นตัวรู้ให้มากขึ้นเปลี่ยนน้ามันดิบให้เป็นน้ํามันที่มันมีเกจสูงขึ้นเรื่อยๆน้ํามันดิบ้วไปจุดไฟเป็นไหมติดไหมน้ํามันหมูน้ํามันกระทียมเนี่ยไปติดไฟติดไหมไม่ติดเนยเพราะกันมันเป็นน้ํามันล้วนเลยติดใช่ไหมอ่าเหมือนกันเพราะนั้นไอตัวคิดเนี่ยมันเอาไปพิจารณาเป็นให้แสงสว่างในธรรมไม่ได้เพราะมันเป็นวัตถุดิบ แต่พอมากันตัวคิดให้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเกิดเป็นที่แสงสว่างอย่างสินสิริปัญญาแยกธาตุอากไปเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรลักกณะเดียวกันนะไม่ใช่ซับซ้อนแต่ว่าเบื้องต้นที่สุดที่เราจะต้องคล่องอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราจะแค่ไขอย่างไรเราจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยท่านก็จะเอาธาตุเดิมแท้ของมนุษย์นั่นแหละมาเป็นตัวเริ่มต้นธาตุเดิมแท้ของมนุษย์คืออะไร มนุษย์รักสุขเก็ดทุกข์ใช่ไหมชอบสบายหลังเกิดความไม่สบายเริ่มต้นหน้าจุดนั้นอะไรที่มันสบายมนุษยก็จะคอยคว่าใสอหงหาเสียสละเรียนหนังสือตลอดชีวิตประกอบการงานหาเงินตลอดชีวิตเพื่ออะไรเพื่อได้วัตถุปัจจัยมาเป็นแรกเอาความได้อย่า ง, างใจอ่ะ ไอสิ่งไหนที่เราปอยใจให้มันได้อย่างนั้นนี่คือแตนเชตยานที่เรามีทุกคนเริ่มต้นตรงนี้ทีนี้เราจะลดความาลดความติดยึดในความสบายนี้ได้อย่างไรอันนี้คือหน้าที่ของเราเราปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะลดความกลัวในสิ่งที่มันไม่เป็นไปนได้อย่างใจนี้ได้อย่างไรเราก็กลัวกลัวสาราชกลัว ก็กลัวก็มาจากความไม่ชอบนั่นเองความไม่ชอบก็คือทุกข์ถ้าเป็นอาการของกายเรียกว่าสุขขังทุกขั ง, ส, ขขงสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็ทุกขโมกุขเวทนาพอมาเปลี่ยนถ้าหากว่าเราไม่เจริญภาวนาสุขทุกเวทนาทางกายทั้งสามก็มาเปลี่ยนเวทนาทางจิตเป็นความชอบใจความไม่ชอบใจและความเฉย เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความชอบใจไม่ชอบใจเฉยก็เปลี่ยนมาเป็นความติดใจความรักความชังความหลงไปเรื่อยๆดังนั้นเองเราจาเป็นจะต้องมาวิปัสนาในอาการเหล่านี้ให้เห็นแจ้งวิศสนาไปเรื่อยๆเพื่อเห็นให้ชัดไปเรื่อยๆหเห็นชัดจนกระทั่งเห็นความคิดก็ชัด ความรู้สึกตัวก็ชัดเล็กๆล็น้อยนความรู้สึกชอบความรู้สึกสบายก็เห็นชัดความรู้สึกไม่สบายก็เห็นชัดความรู้สึกทั้งที่มันข้าเกี่ยวกันสบายไม่สบายก็เห็นชัดการที่เราเข้าไปเห็นชัดอาการเหล่านี้เรื่อยเรเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาก็เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นกว้างเราจึงเรียกวิธีการนี้วิปัสนา ซึ่งผู้วิพากษ์วารณเห็นชัดเหล่านี้ปั๊บมันก็สามารถจะรู้ว่าอันไหนเป็นธาตุแท้อันไหนเป็นธาตุไม่แทะความจริงธาตุแท้ก็มาจากธาตุไม่แท้เนี่ยน้ำมันที่มากันบริสุทธิ์แล้วมันก็จะเป็นน้ํามันที่ปลอมปนนั่นแหละจิตของเราที่มันเป็นจิตที่สะอาดมันก็มาจากที่พิปนเพื่อนกิเลสมาก่อนนั่นแหละแต่เรามาคัดแยกด้วยกันใช้วนูปูงความเพียรที่เราทำเพราะฉะนั้นเราจึงในวิธีการของรู้ความเพียรเนี่ย เป็นวิธีการที่ว่าเราหาความรูความเพียรแบบภาษาสมัยใหม่เลยอันลิมิตอคือไม่มีจํากัดคือไม่จํากัดทั้งการเวลาไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดการการะทําแล้วแต่คุณจะเคลื่อนไหวรูปแบบไหนขอให้คุณใส่ตัวรูล้ลงไปความเพียรแบบนัน้จึงเป็นอันลิมิตสมัยนี้เราชอบใช่ไหมถ้าอันลิมิตแล้วหมายความาใช้ให้เต็มที่แข่งเท่าไหร่ฉังก็สู้แหละอันลิมิตเลยกันความเพียรของมรู้ควเพียรเป็นความเพียรแบบนั้น มันก็เลยทําให้ชัดแจ้งได้ไวยไงนี <c oughs> นะแต่คนเพียนอย่างอื่นนั่นถามว่าเขา limit, limit. ลิมิตลิมิตถ้าคุณจะต้องนั่งอยานี้ต้องใช้วิธีการอย่างนี้ต้องหายใจอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้หลวงพ่อเรียนผู้จะกินจะทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวไว้ก่อนก่อนอันลิมิตเอามาดูโอ้มันนี้เองใช้แล้วนัาวันคน่อจะเห็น ความสำคัญมากขึ้นสำหรับคนสมัยใหม่นะอันนี้คือที่ไปที่มาทั้งหมดของคําว่าความเพียรว่าทําไมถึงเพียรเพียรเพื่ออะไรเพื่อเพื่อนเพื่ อ, อ, อ, อ, อแยกธาตุแห่งสัญชัตว์าณและธาตุแห่งปัญญายาณที่มันอาศัยกันเหมือนน้ํามันกับกะทิดให้มันแยกจากกันได้เท่านั้นเองเพราะนั้นในรูปธรรม เราใช้ความเพียนว่าเตาเตานมนจะคําวัตบะเรามววาร้อนแต่พอเสริมเข้าไปเป็นวิปัสนาใช้คําวัตบะเป็นอาตาปีให้ร้อนมากขึ้นอีกร้อนธรรมดาเลยนะอย่างฤๅษีนี่เขาก็ร้อนเป็นพักๆเขาร้อนมากๆนะแต่าร้อนเป็นพักๆแต่ถ้าหากว่เป็นพุทธภาวะเนี่ยมันร้อนไม่มากแต่มันต่อเนื่องอ่าเนี่ยร้อนไม่มากแต่ต่อเนื่องก็เลยอาตาปี ร้อนมากเป็นพักๆนี่ก็ะะะระดับพอมันขึ้นถึงพีกก็าก็จบแล้วเของฤาสีอะไรมะก็กลายเป็นพลังขันศักดิ์สิทธิเดชปฏิหารตามเป้าหมายเขาต้องการแต่เวลาเขาจะใช่อีกทีเขาองมาปั่นอีนอีกทีนึงแต่ท่อมาเป็นวิปัสนาไม่ใช่คุณต้องรักษาระดับะระดับที่เสมอ แล้วก็สุกเองโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากคือเซต ร, ระบบคงทัวสมัยก่อนเวลาจะหุงข้าวทีจต้องติดไฟตั้งหม้อข้าวใช่ไหมคอยตรวจสอบว่เข้าวจะสุขสมัยนี้คุณเสียบปลั๊กไว้แล้วก็ตั้งเวลาไว้เรียบร้อยถึงเวลาคุณมากินได้เลยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาผอนขว่าวไฟจะติดจะดับสูงหรือไม่สูงไม่ต้องสงสัยใช่ไม้ม แน่นอนคุณเสียเปร่าเมื่อเข้านี่ครึ่ชงชั่วโมงกูกลับมาคุณกินข้าได้เลยนี่แล้วระบบวิปัสนานะคือเขาเซต ร, ระบบให้เรียบร้อยแล้วที่พระพุทธเจ้าเหมือนกันท่านพบสูตรทำเสร็จแล้วก็เซต ร, ระบบให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรับใช้ท่า น, นเองะระบบวิปัสนาคือระบบปรามัตดหรือระบบออตโตนะ้นั่นนั้นก็จึงเหมาะกับคนยุค ป, ปัจจุบันนะในการที่จะใช้วิปัสนาแบบนี้อื ดังนั้นในการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันจึงเป็นอะไรบางอย่างที่สามารถก่อให้เกิดพลังพลังบวกโดยที่ใส่ตัวรู้ลงไปในอัตราส่วนที่พอดีพอดีนะฮะไม่ถึงว่าไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปตามจังหวะของความเหมาะสมเี่มัชชิมาปฏิปทานะรักษาความสมดุลให้ดีเพราะนั้นเองใน หลักกา ร, การปฏิบัติแบบนี้ก็จึงอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยไม่พลาดเวลาเราไปอยู่กับบ้านกับเรือน ก, กับการการต่างๆเนี่ยไม่พลาดที่ต้องใช้วิปัสสนาให้เป็นชีวิตอย่าให้ชีวิตนี้ผ่านไปเปล่าเปล่าวิปรีในแต่ละวันที่หมายก็มีความารู้จักคุณค่าว่าสิ่งที่เราการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี่คือพลังงาน เมื่อก่อนเรานา้ำไหลลงทะเลนี่มันเหมือนว่าไม่มีค่าเลยนะไม่มีปัญญาที่เก็บไว้พอเดือดถึงหน้าแรงมาไม่มีนม้ำก็เดือดร้อนใช่เพราะนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ขึ้นมาเอาน้าน้ำเยอะๆคุณก็เก็บกักไว้ทีหน้าร้อนแรงมาคุณก็เปิดมาใช้ ก็ไม่เดือดร้อนแต่กรณี้คุณเปิดมาใช้เยอะเกินไปคุณก็เดือดร้อนเหมือนกันฉัน้นใดก็ดีความไหลลื่นของอนิจจังทุกขังนาจาที่ออกมาเป็นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นพลังงานกลนันที่เรามีอยู่ตลอดเวลาเพราะพุทธเจ้าท่านเป็นนักวิศวกรที่ค้นพบปั๊บเนาคุณก็สร้างเขื่อนขึ้นมาสกัดไว้อย่าให้ไหลกําลังของอนิจจังทุกขังนาจามันไหลผ่านท่างกายของเราเปล่าสร้างเขื่อนขึ้นมา นั่นก็คือสร้างเขื่อนสติเติ้งนิวรรังสติเป็นเครื่องกันสิ่งที่ไหลลื่นทั้งหลายทั้งปวงที่นำไปสู่ความตกต่าใช้สติเป็นเขื่อนได้นะแล้วก็ใช้สมาธิเป็นสิ่งที่เสริมเขื่อนให้เข้มแข็งขึ้นเสริมสติให้มีพลังขึ้นแล้วก็สามารถที่จะระบายไปใช้ตามความจำเป็นคือปัญญา คุณจะไปใช้เป็นน้ําเป็นไฟเป็นการกระแสเป็นพลังงานระดับไหนก็ค่อยปล่อยไปใช้แทนที่เมื่อก่อนมันไหลริ้วลงไปดงทะเลโดยที่ไม่ได้ไปอยู่อะไรจำเป็นเลยแต่เดี๋ยวนี้พอเปิดปล่องที่ให้เป็นมุนโมนิเตอร์มันจะไปเป็นอะไรบ้างเนี้ยไปไปแหล่งสูงขายได้ต่าหากเราก็ไปซื้อกระแสจากต่างประเทศมาใช้ใช่กระแสก็งเราไม่ปล่อยใช้แล้วอันนั้นคือเทาธรรมชาติภายนอกเองวันหนึ่งเนี่ย กระแสงการเคลื่อนไหวของเราตลอดเวลาเราเก็บกักมันได้เท่าไหร่คุณจุกเก็บกักไดเยอะไร้ยังการเคลื่อนไหวแต่ละขนาดได้เก็บไว้ไหมไอ้นึ่งพอพูดเป็นนามาทํำไปหรือเป่าเข้าใจได้ไหมมันเหมือนไม่ค่อยสื่อเลยนะว่ากระแสการลื่นไหลการเคลื่อนไหวตลอดเวลานั้นได้เก็บกักมันไว้เท่าไหร่นี่พอจะพอจะประเมินประมินได้เลยยัง การลื่นไหลขอตั้งแต่การเคลื่อนไหวทั้งหมดของท่าเสียงของเราเนี่ยได้เอาตัวรู้เข้าไปเก็บกับได้เยอะไหมพอจะเป็นเขื่อนไฟฟ้าแรงสูงได้นหม อ, อะไรเพราะเขื่อนไม่ค่อยแน่นดีน้าํามันลวใช่ไหมการวัดเท่าไรก็ลวกไปเยอะนลยนะบางทีเขื่อนแตกบ้างการวัดีๆตอนแล้วตอนเทนมาพังหมดเลยนะเพราะอะไรเขื่อนไม่มี ไม่มีไส้ไม่มีไส้เล็กเป็นปูนหรือเป็นดินธรรมดาพอเจอน้ำํำแรงๆอนเคลื่อนแตกด้วเช้าได้อารมณ์ดีๆพอตอนบ่นายมัฟุ้งไปกระชวยกระจ่ายเลยมันสูงเพราะเราสร้างเกิดไม่ดีไปวิจารณาให้ดีเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นลูกปกระทมมากๆเลยเนะี่ยในสิ่งผู้ยาตได้รนะู้เนี่ยแต่ด้วยภาษาสมมติภาษาปริยัติเนะี่ยเราไม่ค่อยใจแล้วก็เห็นเป็นเรื่องผู้ยากเราก็เป็นเรื่องสลับซับซ้อน คนก็เลยไม่อยากเรียนกันนะแต่ถ้าหากว่าเรียนอย่างที่เราเรียนที น, นี่มันไม่สนุก น, นะชีวิตมันไม่จะเต็มไปด้วยพลังแห่งแสงสว่างสวยเราต้องการอะไ ร, ต, รต้องการความสบายต้องการความผ่อนคลายถ้าเราอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างที่เราต้องการดูรท่ามกลางดินน้ำดวไฟที่เหมาะสมนะชีวิตที่ก็เพียงพอละ <c oughs> ไม่จะเป็นต้องมีเงินแล้วไม่จะเป็นต้องมีสมบัติล้วพราะพระพุทธเจ้าท่านถึงประกาศพบเรืนี้ประกาศสละทิ้งทั้งหมดเลยในชะ้ชีวิตแบบไ ม, ม่ไม่มีเงินไ ม, มไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยกับอยู่ได้อย่างสบายใ่ไหมเพราะเรอาศัยพลังงานเหล่านี้เพียอการรักษาสมบัติอย่างสมมติว่าพ่าก็ดีลาวก็ดีเขามีแหล่งพลังงานเนี่ เขาต้องมาวิ่งขายให้เราเราจะไปง้อซื้อเขาเขามีขุมขายก็มีในขุมพลังงานมีแรงแก๊สมีแรงน้ําตกครากเราก็ไปขอยสร้างใช้กําลังอะไนี้เหมือนกันนะเมื่อเรามีสิ่งเรื่อนี้เป็นสมบัติได้หนึสร้างขึ้นมาเป็นสมบัติคือเราสามารถสร้าง สติสมถะที่คือมยาเพื่อที่จะตามรู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของมันกลายเป็นสมบัติมห า, าศาลพระพุทธเจา้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยเอามาแยกเป็นสิบหส่วนส6บหกเซี่ยวเนี่เขาบอกเซี่ยวที่สิบหกย่งมากกว่าสมบัติของเจ้าพระภัอีกน ไม่ต้องพูดถึงผ้าของสิงคิรานาะคพระอารยแม้แต่ของพระสมบัติแยกไปสู่เซี่ยวนะแต่เซี่ยวที่สมบัติเยอะมากกว่าสมบัติของเจ้าพรก น, นั่นคือเรียกอะเรียสัพ์มันมีคุณค่าสูงมากแต่ทําไมคนจิงเห็นคุณประโยชน์น้อยก็เพราะว่าคุณสมบัติของคนของมนุษย์ยุคนี้ไม่พอที่จะรับเหมือนเราให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยี่ห้อดีที่สุดให้ชาวนาสักคนหนึ่งที่มาเรียนหนังสือมาเนี่ย เขาเห็นคุณค่ามันไหมว่าบางที่ขายให้ไม่กี่ตำเขายังไม่เอาเลยให้พีพียังไม่อยากได้เลยใช่ไหมแต่คนที่ยุ่จเกคุณค่าของคุณขายเท่าไหร่หให้ราคายังสูงรี่วเลยใช่ไหมมันดีมากๆเลยเมื่อไหร่ไม่รนุยุลเนี่ยไม่มีคุณสมบัติพอบางคนนะที่จะไปรับเอาสิ่งนี้เข้าไปปฏิบัติขเขาก็ยังพอใจความพอใจขั้นต่ำๆความสุขขั้นต่ำๆอ่า ที่มันห า, าแบบง่ายๆได้นะดัง <c oughs> นั้นเองในจุดนี้ก็จึงอยากจะให้เราได้เห็นว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ช่างโชคดีเหลือเกินได้มาพบความรู้ที่พระเจ้าสอนเราได้มารู้ว่าการเคลื่อนไหวของเรานี่มันเป็นพลังงานอย่างมหาศาลเป็นวัตแหนวัตถุดิบมหาศาลที่เราสามารถจะปแปลงเป็นอริยทรัพย์ได้อย่างไม่สิ้นสุดนะเรามาเห็นคุณค่านี้ ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เคยเกิดเป็นอย่างอื่นมามากมายแต่เราเห็นเราเคยเห็นคุณค่าไหมเราเกิดมาในชาตินั้น เ, เคยเห็นคุณค่าของพลังงานอันนี้ไหมถ้าเคยเห็นเราก็ไม่เกิดมาชาตินี้แล้วเนี้ยเราก็หมดเราไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วถ้าเราเห็นนะแต่เพราะมันยังไม่เคยเห็นนั่นยหราถึงจะเกิดมาเอ่อแล้ว เ, เกิดมาเจอชาตินี้เราไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านี่ยังสงสัยอยู่เลย <laughs> คิดเลยจะหมดหรือเปล่า <laughs> เออถ้ามันคุณสมบัติไม่พอเอาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไปเพิ่มคุณสมบัติว่าคุณสมบัติทาประ ก, การจําได้ขึ้นใจเลยนะใช่ไหมมีอะไระมีศรัทธามีความรักความมั่นใจความเชื่อมั่นแล้วมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยคุณสมบัติเบื้องต้นให้อย่างไรต้องใช้ไปพัฒนาคุณสมบัตินี่เวลาเราไปสอบเข้าคุณสมบัติคุณยังไม่มากพอ เราก็ต้องไปไปไงไปพัฒนาใช่พัฒนาไปเรียนให้เกิดคุณสมบัติคุณยังไม่ qualify, คุณเุแล้วนะี้คนนี้ไปทาไ ม, ไมคุณสมบัติยังไม่พอไม่คุณลี qualify. เวลาจะไปเรียนสอบเข้ามหาลัยใช่สอบปีนี้ไม่ได้คุณสมบัติไม่พอปีหน้าสอบใหม่อีกนี่นะสอบหลายครัง้งหลายครัง้งก็คุณเหมือนกันนะเออมาปีนี้สัทธาแย่สดิสมัยยังไม่พอปีหน้ามาใหม่ มาคอร์ใหม่เพิ่มเสถาขึ้นไปใหม่นะเพระคุณ ม, มาทั้งสอบทั้งสิบครั้งคุณรีไฟน์นะมาปฏิบัติทั้งสิบครั้งนี่จำหลักได้เห็นไหมอันนี้คือหลักการเดียวกันเลยนะไม่ใช่แตกต่างนั่แต่บางทีเราก็คิดไม่ถึงอะว่ามันเป็นเรืเเ่องเดียวกันนะเราคิดไม่ออกดังนั้นเรารู้ว่ามันจะต้องออมีคุณสมบัติอย่างเนี้เราก็อย่าให้มันต้องสอบหลายครั้งนะเนาะสอบครั้งเดียวผ่าน พราะนั้นถ้าเข้าใจแล้วจะง่ายชีวิตนี้มันมีความสุขมหาศาลแล้วก็มีประสบการณ์แบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ใหม่นั่นคือกําไรชีวิตของเราดังนั้นการมารีชีวเทื่ยวนี้ยมาถึงปลอยให้ทําแบบ ส, สบายแต่ให้วิธีการไปทํำดูว่าทำงานให้มันปรับให้มันสบายผ่อนคลายเพราะมานี่เราไม่ต้องการความทุกข์แต่เราก็ต้องปรับเอาความทุกข์มาเป็นเครื่องมือในการแสดงให้ความ ไม่ทุกนะความผ่อนคลายแล้วก็ปรับได้แล้วถ้าเราปรับตรงนี้เป็นนะปรับสุขประพุกในกายในใจเราเป็นเลือกสุขเลือกทุกในกายในใจเราเป็นวัตถุภายนอกไม่ยากเลยนะง่ายๆนะแล้วต้องการอะไรก็ปรับเอาได้สบายจูนอับได้สบายเลยนะเคพียงแต่ว่าจูนความสุขความทุกข์ในตัวให้มันสมดุลกันคือชีวิตจริงเนี่ยมันมันไม่มีสุขจริงๆมันมมีทุกข์จริงๆเป็นเพียงปฏิกิริยา ที่มันเกิดจากการเกิดดับเท่านั้นเองฉะนนใช้คำ ว, ว่าไม่มีทุกข์แล้วกักรไม่ทุกข์เท่านั้นสุขก็ไม่มีมันภาวะร้อนน้อย ร, อ ร, อร้อนมากทุกข์มากทุกข์น้อยเท่นั้นเองนะเ <c oughs> พราะอะไรเพราะการ <c oughs> เกิดดับนั้นเป็นพลังงานกล <c oughs> ที่จะต้องหมุนตลอดเวลา <c oughs> ถ้ามันมี ถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีดับถ้า ม, ม, มีดับก็มีเกิดถ้าไม่มีการเกิดดับปั๊บวัฏสงสารก็จะหยุดทันทีเลยใช่ไหมวัฏสงสารหมุนด้วยอาการของที่ผู้เท่าใจธรรมจักหมุนแต่ลอเวลาธรรมจักถ้ามันหมุนไปทางเรื่อำนาจของวิชาเราเรียกอะไรวัฏจักรหรือสังสารจากักรใช่ไหมแต่ถ้าหมุนกลับไปอีกทางหนึง่งเรียกว่าธรรมจักเพราะฉะนั้นคํามดีศากันแรกก็เลยเรียกว่าธรรมจัก ธรรมจักรกับปวัตนสูตหมุนไปทางนี้กลับเลยแล้วก็สร้างตราธรรมจกกักรขึ้นเป็นตราสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเลยใช่ไนั่นนะ่ะคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นการเกิดดับที่มันเป็นสังสรารวัชช์เป็นการเกิดดับด้วยอำนาจของอะไรอวิชาใช่ไหมพอเปลี่ยนไปตรงข้ามเป็นอำนาจการเกิดดับของวิชาพอเป็นนวิชาก็หมุนไปทางนี้ปับ๊บมันสว่างหมุนไปทาปั๊บ มันมืดอะเพราะนั้นใครจะหมุนไปทำหมูมืดล่ะถ้ารู้จักใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้จักก็จะหมุนไปทำหมูืดอยู่ในวันนี้ข้ามเลยตอนไม่รู้จักเอ๊ะแล้วก็บ่นว่าทํำไมทกอยู่นะทําไมเป็นอย่างว่านี้ก็ลงหมุนไปทางนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่าวันนี้ครับเลคุณต้องหมุนวันนี้มันเลยก็สว่างนะคุณจะก็ประกาศจากคุณทัพปฏิญานางทัพปฏิปัญญาทัพปฏิวิชาทัพปฏิอโลโก้นั่นทมาจากใช่ไหมจากสุเกิดขึ้นแล้วแกเรา มาถึงแะไรมาถึงญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างที่เราสวธรรมจักรพาสวดซ้ำไปส้มมาจกุ้งทัพปฎิญาณมุทธาปัญญาอุทธาปฎิวิชาอุทธาปฎิอารมณอุทธปฏิเนี่ยดังนั้นเงเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องให้ความใส่ใจศึกษาไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญามันเกิดพอปัญญามันเกิดมันเห็นแจ้งมาป๊อมันก็จะทําได้ดีแล้วทีนี้ตัวปัญญาตัวนี้ก็คือตัวที่เกิด การเห็นภายในของเราว่าวันนี้เห็นภายในได้บ่อยขึ้นเห็นภายนอกก็ภายในมีกลไกอันเดียวกันเขาเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปมันทํางานรูปมันทํางานได้เพราะนามมันทํางานถ้านามไม่ทํางานรูปจะทํางานได้ไหมไม่ได้เออแค่คุณไม่มีไม่มีเวทนาแล้วมีแต่รูปอะไม่มีเวทนาหมดละใช่อไหม นาำไม่ทำงานนะาตับดิเวทนาทำงานอยู่หมายความลูกก็ทำงานอยู่ลูกทำน้ำทำพอเห็นลูกทำน้ำทำปั๊บมันก็จะเห็นกลไกภายในแล้วเหมือนกับฟังก์ชันต่างๆทำหน้าที่เหมือนกับเราจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไปกดตัวออนมันก่อนใช่ไหมุม อ, ออนปั๊บอ่าบเครื่อง หน้าที่ฟังชั่นต่างๆทำ ง, งานมเหมือนกันพอตื่นว่าป๊บเวทนามันสมบูรณ์พร้อมปั๊บล้วก็รับรูต้ตาเห็นหูได้ยินนะพอในช่วงที่หลับนี่ก็เป็นไงสเตตแบยสเตนแบย์ stand <laughs> by. พอตื่นเช้าขึ้นมาก็เ อ, เ, อเปิดป า, า, ากก็ออนเลยมัน <laughs> เมื่อไรมันมันออปแบบไม่สแทนแบยแล้วก็ไปยาวเลยนี่เาไปยาวเลย เ น, นชีวิตของเราก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ไม่ต่างมันสร้างคอมพิวเตรอร์ขึ้นมาําลองชีวิตกลายเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ขึ้นมาก็นักวิยาศาสตร์นั่นแหละนั้นเองก็ชีวิตไม่มีทุกนะแต่มีทุกเพราะเราไม่รู้เท่านั้นเองแต่รุกทางกายนี่เขาไม่เรียกว่าทุกนะทางกายเนี่ยเขาไม่เรียกว่าทุกเป็นอะไรฮะ มันก็สแตนบายอยู่นนะดูรู้ว่าสแตนบายอย่างก็เรียกว่าแตนบายอย่าคือมันมันเขาเรียกว่าการทํางานของกลไกอ่ะมันก็ยังรู้จักพักใช่ไหมไกลไกมนุษย์นี่เขาก็ตั้งให้มันหยุดพักแบบออโตโออ้เหมือนกันนะสิบสองชั่วโมงนะแปดชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วแต่เราจะหยุดพักได้กี่ชั่วโมงธรรมชาติเขา อ, ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วถามว่าเวลามันสแตนบายเนี่ยดู รู้ๆก็พักงานไงนนใช่ไหมคือก็ยังทำงานอยู่แต่ว่ามันอ่อนลงไปแม้แต่ไฟใช่ไหมโบราณในเวลาเขาไม่มีไม่ขีดเขาสีไฟแต่มันลุกขึ้นตื่นขึ้นมาสีในเช้างสีไม่ติดวิธีการเขาก็เวลาเขาจะดับไฟตอนเย็นเขาก็ให้มันแสดงบายเอาขีดเท่าไปกลุ่มทานเอไว้ใช่ ตอนชาเอาเขี่ยขี้เท่าออกังต่อได้เลยใช่ไหมถามว่าทำไมมันไม่ดับมันก็มีวิธีแสดนบายของมันเหมือนกันนะธรรมชาติเหมือนกันตอนที่เรานอนเราก็เอาขี้เท่ามากรกไว้เราก็ยังมีไออุ่นมีลมหายใจอยู่ใช่พอตื่นขึ้นมาไปใส่เชือกไปลุกขึ้นมาใหม่ซึ่งมันเกิดเดียวกันเลยนะมันไม่ซับซ้อนอะแต่ที่เรามันคิดเอามันก็เลยเป็นเรื่องลึกซึ้งเรื่องลึกลับไปนะ เพราเราเข้าใจวิวถีชีวิตมล้แล้วโอ้ยทำไมมันชีวิตมันวิเศษทีนี้เราเกิดมานั่นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากแต่ยากที่สุดคือได้มาพบสิ่งเนี้นมีสี่อย่างยช่ไ ห, หนึ่งการเกิดมนุษย์ของยากสองเกิดมาแล้วจะให้อยู่สบายยากสามแล้วได้มาฟังธรรมให้เกิดเข้าใจธรรมยากสแล้วเราเข้าใจเป็นธรรมตัวนั้นเองยากที่สุดแต่เราก็ทําได้ใช่ไหม ได้ไปเรื่อยๆยากขนาดไหนก็ทำได้แต่ขอให้เราตั้งใจทำดังนั้นในการเข้าดีฟีดครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกทั้งหมดโครงสร้างที่ว่ามาปฏิบัติมาเนี่ยเรามาเพื่อเปลี่ยนพลังงานที่เป็นวิชาธาตุเป็นวิชาธาตุแล้วเราก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้เป็นมนุษย์พันใหม่มนุษย์พันอะไร พันที่ทุกข์ไม่เป็นพันไม่ทุกข์มนุษย์พันใหม่เมื่อก่อนมีแต่ผัดเก่าพันมนุษย์พันทุกข์นะเป็นมนุษย์พันใหม่ทุกข์ไม่เป็นต่อไปแล้วก็ไปสร้างใช่ไหมมันก็จะวิเศษมากกว่าที่เราไปสร้างหุ่นยนต์อะใช่ไหมเราก็ไปสร้างมนุษย์ที่มันทุกข์แล้วเนี่ยไปไปที่ไม่ทุกข์ก็ใช้กลไกเดียวกันนี่มนุษย์จะแสดงใบชีวิต มันกลไกอเดียวกับวิทยาศาสตร์มาว่า ม, ม, มันไม่ได้ต่างแต่ขอให้ไปค่อยใจรูปทำนำทำนะให้ได้รูปมันทํา ง, น า, า, งานยังไงอืมนามันทํางานยังไงสังเกตดูแค่สองอย่างเนี้ยเวลาเราพริกแต่ละครั้งเราเห็นรูปทำนาทำไหมคุณพิชัยเหนร้อนน้ำแขงเป็นครับ น, นั่นเห็นไหมาบางทีมันจําไปมันไม่เห็นก็มีนะมันจําเป็นสูตรไปนะ ต้องเห็นด้วยนะแล้วก็กลไกเราจะให้มันเป็นยังไงชีวิตนี้ตกแต่งได้เลยช่างเนี่ยสมัยที่มันยังไม่ชำนาญเนี่ยมันก็คอยแต่ส้มใชม่แต่พอมันชำนาญมากเข้ามาเข้ามันไม่ส้มแล้วเป็นไงมันสร้างออกแบบเองเลยนะออกแบบสร้างเอารูปแบบจเจอาแบบไหนใช่ไรถนี่จะสร้างยี่ห้อไหนจะสร้างเองเลยเห่นไหเหมือนกัน จิตของเราเนี่ยเราคอยจะไม่ให้มันคิดในทางที่ไม่ดีคอยจะไม่ให้เกิด อ, อกุศลและจิตคอยจะไม่ให้มันปรุงแต่งแต่พอเขาชํานาญแล้วในหู ย, ยุ้ว่ามันปรุงแต่งเนี่ยสักสิบครั้งลื้อออกใหม่ก็ได้ปรุงสร้างใหม่ก็ได้สร้างจิตที่ใหม่ก็ได้ใช่ไหมจะปรุงแต่งแบบไหนก็ได้จะเอายี่ห้อไหนในจิตเนี่ยเ อ, อย่าจะเอายี่ห้อ พระหัสนี่ยี่ห้อสุดาบันยี่ห้อสกีทาคามียี่ห้อนาคามีก็เลือกเอาได้เลยทีนี้บางอ๋บอผมไม่ไปพระรหันั้นลำบากผมแค่เป็นพระสุดาบันก็พอแล้วผงคนสบายสบายผมคนก็ปรารถนาแค่นั้นจริงนะปรารถนาแค่สุดาบันเป็นพระรหัสนี่ลาบากแล้วคุณจะอยากเป็นเลยแ้วคุณไม่เข้มแข็งจริงเป็นพระรหัสนี้ช่วยคนทั้งโลกอะปรารถนาคนให้มีสุขทั้งโลกอะคุณต้องทํางานหนักมากเลยนะ เพราะนั้นออกแบบดีไซน์ที่ใจของเราได้เลยเหมือนช่างมันก็พัฒนาขึ้นไปเป็นวิศวะช่างกลอะไรไปเป็นผู้ชำนาญการสร้างเครื่องได้เองสร้างยี่ห้อรถไดเองจิตที่ก็เหมือนกันมีกลไกอย่างนั้นเราจะต้องฝึกฝนให้ชำนาญจนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากความคิดและอารมณ์ต่างๆให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกเพราะนั้น พระอาริยะบุคคลเป็นมีคุณค่า ต, ต่อโลกก็เพราะว่าท่านสามารถที่จะช่วยคนทั้งโลกให้ศึกษาหาความสุขใส่ตนเองได้ไม่ยากนะนั้นก็ในช่วงเย็นวันนี้เนาะคุกันสำหรับผู้นี้เช้าแล้วก็สอบอารมณ์กันอ่าสักักหนึ่งแล้วก็แต่เราจะปิดโปรแกรมผู้นี้หลังหลังทานอาหารกลางวันนะช่วงเช้าหลังอาหารเช้าแล้วทาความสาประกอบเช่ถูแล้วก็มานั่ง สัมมนากันสอบรงรายงานการทลการปฏิบัติทังเช้าทั้งเพี็นเสร็จก็เป็นโปรแกรมนะนั้นในช่วงเย็นวันนี้สิ่งที่มานำเสอนอเนี่ยเป็นการสรุปทั้งหมดของสิ่งที่เราปฏิบัติมาในช่วงห้วันเจวันนี้ว่ามันเป็นลักษณะเนี้ยให้ดูโครงสร้างใหญ่ๆดูแล้วก็ย่อมาเหลือเคล็ดวิชาก็คือให้ไปดูความ รู้สึกสมประการเท่รู้สึกอะไรสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใ จ, ใจดูแค่นี้แหละดูให้มันชัดชัดแต่ความพอใจไม่พอใจชอบอย่างมันก็มีมบางครั้งแต่ความสบายไม่สบายมีตลอดเวลาใช่ไหมความสบายไม่สบายเป็นเรื่องของกายความชอบใจไม่ชอบใจเป็นเรื่องของจิตอ่าเป็นเรื่องของนามกรู้ส้งอย่างก็ดูรูปนาม ดูรูปนำไม่ใช่ดูว่าดูรูปนำต้องดูอาการของมันอาการสบายหรือเมื่อสบายเนี่ยทันไหมถ้าเราไม่ทันความ ส, สบายก็เปลี่ยนเป็นความอะไรพอใจใช่ไหมความพอใจถ้าเราไม่ทันมาอีกกลายเปไปเป็นยังติดใจติดใจก็ยังไม่ทันอีกเป็นเพลินนะพอเพลินแล้วก็อันนี้แหละไปยาวเลยทีเนีนะ้ก็ไปตั้งต้นใหม่เสมอไปขยับหัควคอม เอ้ยเราปฏิความสบายหรือไม่สบายทุกอย่างอยู่บ้านน้ำเพลินเพราะอากาศไม่สบายหน่อยวิ่งหาพัดลมแล้วอากาศไม่สบายน่อวิ่งหาแอร์แล้วมันมันอยู่บ้านที่มันยากเพราะมันมีช่องทางที่ออกไปหาความหนีความสบายไปหาความหนีความไม่สบายไปหาความสบายได้ง่ายนี่ที่มันยากเนี่ยถ้ามาวัดเนี่ยโอ้มันก็จําเป็นจํายอมมันไม่มีให้พัดลมแอร์ก็ไม่มีให้ก็จะเป็นน้องทนมันก็เห็นทุกเรื่อชัดอ่ะ พอเห็นทุกเรื่ชั้นมันก็เลยเกิดการปรับเกิดการปรับให้พอดีพอทนได้เท่านั้นเองนะไม่ถึงสบายนะพอทนได้จิตมันก็เกิดความเบาในหน้าาของจิตจิตสบายก็หนักนะจิตไม่สบายก็หนักแต่ปรับให้มันพอดีเนี่ยให้ครึ่งเนี่ยมันไม่หนักตรงกลางพอดีนะเพราะฉะนั้นถ้าฝึกอยู่ที่บ้านถ้าฝึกเอาความแล้วแค่ทนได้เนี่ยไอคนที่จะอยู่เราก็จะอยู่ไม่ได้ในที่นี้ย สมมติเราอยู่เขาเขาต้องการแอร์เราไม่ต้องการแอร์นอกเขาก็ว่าเราบ้าเเนี่ยนี <laughs> ่มันจะยุ่งตอง น, นี้เอง <laughs> อะไรมีแอร์ดีๆคุณไปอยู่ทำไมอะไรคุณป้าไปหรือเปล่ามันจะอยู่ไม่ได้ตรงนี้อาหารอร่อยทำไมคุณไม่กินเพราะใช้ปฏิบัติทํมาแล้วเ <laughs> ขามันไม่ได้ไปสวนทางเขาไม่ได้ขเขาเรืนีอาแส้ ไม่ใช่แต่ถ้านในวัดของเราทุกคนกระแสทุกคนนะโอเคไปกันได้เลยแต่ทีนี้เราชนกระแสอยู่คนเดียวเราจะสู้เขาไหวไหมเฉพาะทางพ่อในกรณีที่เราอยู่คนเดียวเออใช่คนเดีย ว, ยวแต่เวลาไปอยู่กับเขาก็ต้องประดาเพนะ่อนะอ่ามันก็จะระหว่างเราอยู่คนเดียวก็อยู่คนทั่วไปเนี่ยอนไหนมันมากกว่าอยู่คนทั่วไปมากกว่านั่น <laughs> สนิมม่อก็ต้องมากัดทรงนั้นแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าต้งบอกว่าอย่างนี้ฉันออก มาบวช ด, ดีกว่านั้นกันก็เลยเป็นทางแต่งไงก็ตามชาวบ้านก็มีทางขึ้นไปถึงแต่ชาวบ้านสมัยนั้นเป็นโซดาสินคาณาคารเยอะกว่าพระนะพระนี่ท่านบวชไปแล้วเนี่ยพอท่านได้ดวงใจให้ทำพอท่านบวชไแล้วก็เล่งทำอรหันต์ให้ปรากฏแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่มีเวลาจะไปเล่งอย่างนั้นเอาแค่ไปโซดาสกินอาณาคาก็อยู่ได้และสบายนะแต่ว่าพระเนี่ยไม่พอ พระสมัยนั้นมันมีช่องว่างนะหมายความว่าคนที่ได้ดวงใจเห็นทําก่อนบวชพระพเขาเล่งใส่ความเป็นพระอรหันต์เลยแต่ถ้าหาว่าคนที่ยังไม่ได้ดวงใจเห็นทําเข้าไม่บวชเนี่ยเล่งยากอะ่ะเพราไปติดติดลาภสักระเพราะาสมัยนั้นลาภสักระเยอะแล้วก็ติดความอะไรหลายหลาอย่างแหละแต่ว่าบางคนที่ทํางานเยอะเนี่ยนะก็จะปรารถนาก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่มีเวลาอย่างพระอนุนเนี่ยใช่ไหม mm hmm. ใช่ไหม โอ้โหทำงานเยอะมากเลยต้องกว่าจะผู้ทีเจ้านิพพานไปแล้วก็ยังไม่บรู้ทําเลยยังไม่ได้เป็นพระธหันเลยยังเป็นพระโสดาบันแค่นั้นเองท่านก็ไปเล่งเอาทีหลังใช่ไหมท่านก็รู้อย่างเล่งเอาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะถ้ากูเล่งก็จะได้เจวันในเก็บจะไม่ไหวเหมือนนะเพอตอนท่านผ่านนนท์นี่ถูกไฟบังเข่าบอกว่าเพราะว่าจะตอนทำสังฆทานพอผู้เจ้าปฏิพันธ์ไปเดือนหนึ่งจะทําสังฆนาเนี่เพราะว่ามีพระไปกล่าวช่วงจากคําสอนของท่าน พระมหาเสายเห็นความสองความนี้ตายไปเดือนเดียวเนี่ยยังจวงจับได้ขนาดนี้ตายไปนานๆเจเหลืออะไรคำสอนพระเจ้าท่านก็ น, นัดประชุมนะประชุมเอาพระหัรคีน้าสมล้วนๆเนี่ยนะมีปฏิสัมพัธามียานสามปฏิสัมพัธาสี่พิญญาหกล้วนๆเยทีนี้คนที่จะมาสังฆายนาบาลีก็ได้แล้วสังฆายนาอาภาออาิธรรมพระอนุทวระได้แล้ว้าบาลีพระมหาเสไ แต่ว่าผูจ้จะตรสังฆนานาพระสูนรเนี่ยคนที่จะจําได้แม่นจําได้ทุกที่ทุกที่พุทธเจ้าแสดงคือพระอนุนแต่ไม่ปฏิบัติปัญหาพระอนุนยังไม่เป็นพระหลานยังไม่เป็นภระกีริยโสตธรรมย์ถูกบังคับเลยต้องทํำให้ในวัเจ็ดวันจะสังฆนานอีกแล้วเธอไปทําให้เสร็จในวนเจ็ดวันพระอนุนก็เล่นเครื่องเดินที่เลยั้ะถึงวันที่เจ็ดโอ้ไม่ไหวแล้วพอแล้วแค่นี้ทําเต็มที่แล้วฉันทําไปไม่ไหวแล้วฉันไปนอนดีกว่าแล้วก้มตัวจะนอนบนรูเลย แค่นั้นคือไม่เอาขค่นั้นอ่ะอเลยอ่ะมันปัญหาสำคัญมันจะเอาเรื่องของเรื่องที่มันไม่ได้เนี่ยมีการตั้งทงไว้มอการตั้งงไว้เพราะนั้นไปเจอปัญหานี้เข้าโอ้ทำไงผมไม่เอาลูนุงี่ผมเต็มที่แล้วนะผมไปนอนดีกว่าเพราะนั้นพระอา น, นุ์ก็รู้ว่าบารรลุเป็นพระหันด้วยอินิบท4สี่กำลังจะเข้าไปนอนอะ ไม่รู้จะยืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่เชอ่อเอ๊ะไม่เขาบรารลุรรมก็เป็นระบบแยกบทใดบทหนึ่งใช่แต่พระนวลว่านวลสีนี่นนบทเลยขร้อมกันบทเลยบรรลุธรรไม่เหมือนเพื่อนอเพราะฉะนั้นมาว่าสมัยนั้นพอเขาได้ดวงใจทําแล้วทั้า ง, งานเขามีเ ย, ยอะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นในอรียบบุคคลที่เป็นโซดาสีน่าอันคาเยอะกว่าพระในสมัยของพุทธกาล พวกบาสุบาิกาเขาฟังเข้าใจแล้วเขาปฏิบัติกับการประมานเลยเขาก็ได้เห็นทำได้ไวนะแต่พระที่ยังไม่ได้ลงใจทําเข้าไปบวชก่อนเนี่โอ้เรื่องเยอะสมัยนั้นก็อันนี้ก็แถมนะเพื่อที่ให้เราได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราคิดไว้ก่อนมันก็เรียอยากแต่ถ้าเราทําเอาเนี่ยไม่ยากก็ทําความรู้สึกทำไปก็รู้สึกสบายๆก่อนคลายแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วก็สะสมไปเรื่อย สะสมสบายสบายผ่อนคลายแล้วหลายอย่างนะตลอดถึงไอความที่จะผ่อนคลายได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยน ะ, ะเช่นคุณไปอยู่ที่ไหนที่มันอึดอัดแล้วคุณไปแช่อย่างนั้น่ะสภาพจิตมันกปเสียใช่ไหมแล้วคุณจะไปอยู่กับคนที่เขาอะไรล่ะ มันมันมันสบายอะถ้าจะไม่สําราญไปอยู่สรานที่ไม่สําราญไม่สบายแม้แต่ผ้าเสื้อนิ่งห่มกันนะถ้ามันไม่สบายเนี่ยก็ปรับให้มันสบายอือคือสำรวจตลอดเวลายมมอยกบางคนในเวลานุ่งผ้ารัดตึงอย่างเงี้ยนั่งก็ไม่สบา ย, ยก็ไม่สบายก็บีบรัดอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันกลงิงนเนี่ยคอนวิสึกมันกระด้างกลงิ่นไม่ผ่อนคลายไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นชีวิตเพราะฉะนั้นเล็กๆ็ ก, กน้อยนอยเดี๋ยวนี้ยให้สังเกตไปดีๆนี แม้แต่รัดเข็มขัดนี่เพราะฉะนั้นเข็มขัดอะมารัดประกดเข้ามาเมื่อเหมือนพระลูกอื่นนะพระลูกอคนใช้วัดกัเอามาจะใช้เป็นแบบเข็มขัดผู้หญิงไงนะสามารถเลื่อนเข้าออกได้ตลอดเวลาถ้าดึงก็ไปก็เลื่อนออกถ้าอันนี้ถ้าหลวมก็เลื่อนเข้าได้ตลอดเวลาผลิตประเภทนี้เกิดการผ่อนคลายสบายตลอดเวลานะมันก็เลยทําให้เราการดีไซน์การใช้ชีวิตต่างๆให้เป็นธรรมชาติที่ผ่อนคลาย ความตึงความเครียดควา ม, มาบังคับกดข่มเก็บกด อ, อะไรเนี่ยอย่าให้มีถ้ามีก็อย่าให้นานแต่ว่านั่งเครื่องทีไรชั่วโมงเดียโทรมานออพอสมพวโช่วงนี้ไปเจอโยมที่ก็เจอให้ตัว f i r s ์สคลาดก็สบายนอนไปเลยนะนี่อันนี้มีอยู่อันนั้นก็เลยว่าชีวิตทำไงให้มันเกิดการผ่อนคลายแต่ยัติสบายนะแต่ว่าความว่าถ้ามันจาเป็นก็อย่าอยู่กแช่อยู่กับความ ตึงความเครียดความมาเข้ากดคุมไปนานเพราะว่าจิตของเรามันจะเสียรูปทรงของการผ่อนคลายนะเพราะนั้นคำว่ามัชชิมาาปฏิปทาคือการผ่อนคลายไม่ตึงและไม่ย่อนลการผุรแยบประการก็เอาไว้แค่นี้เนะะาะก็ขออนุโมทนาสาธุในการที่เราจะต้องนางไปศึกษาเรียนรู้ให้ชีวิตนี้มีความเข้าใจมีความผ่อนคลายและ เป็นประโยชน์ทางความสุขของตวเองและผู้อื่นด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ